นี่คือรายการทาและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังผมจะเสนอข้อสังเกตและพินิจพิจารณ์เช่นว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับคืออาศัยขาวเรื่องของพระองคุริมานเป็นพื้นฐาน ในการวิเคราะห์วิจารณ์เรามนุษย์เราว่าโดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ผู้อื่นหรือว่าทั้งสองอย่างหรือว่าเป็นกลางๆเขาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่การอบรมเรี้งดูหรือสิ่งแวดล้อมในภายหลังคื้นฐานเดิมของพระองคุรีมานก็เป็นเด็กดี เป็นคนดีของพ่อแม่แต่ว่ามาตอนหลังทำไมจึงเป็นโจรไปอันนี้ถ้าตอบโดยง่ายก็คือตอบว่าเพราะการครบคนผานคือคบอาจารย์ที่เป็นผ่านมาได้อาจารย์ที่เป็นผานเป็นโทษของการครบคนผานจ่างอไรก็ตามเะครับ เ, เพื่อจะวิเคราะห์ให้เป็นหลักวิชา ให้มากขึ้นเรื่องว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เราเป็นอย่างไรหรือว่ามนุษย์เราโดยธรรมชาติเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ผู้อื่นเป็นต้นนี้นะครับมีผู้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกันเป็นสามทัศนะดังต่อไปนี้นะครับทัศนะที่หนึ่งเห็นว่ามนุษย์นี้ว่าโดยธรรมชาติแล้ว เป็นคนชั่วหรืออยากใจชั่วโดวยธรรมชาติที่เขาดีขึ้นมาก็เพราะว่าได้รับการขัดเกลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังแต่ถ้าปล่อยไปตามธรรมดาธรรมชาติมนุษย์ก็จะน้มเอียงไปในทางที่ใจชั่วทัศน์นี้เห็นว่าโดยสันดาณเดิมแล้วมนุษย์ชั่วมาแต่กำเนิด แต่มาดีเพราะการศึกษาการฝึกฝนอบรมขัดเกลวว่าโดยธรรมชาติของเขาเองเขาจะมีความโน้มเอยียงในทางชั่วทุจริตเห็นแก่ตัวริษยาเป็นอัจฉรกรชอบทะเลาะวิวาทชอบสงครามตำราทางจริยศาสตร์จะให้เหตุผลว่าทัศนนะอย่างนี้ มีแหล่งเกิดโดยที่มาสามแหลง่งคือหนึ่งเทวะวิทยาของคริสเตียนหรือหลักของคริสเตียนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลักคำสอนของเซนออกสตินที่ยืนยันว่าคนชั่วไม่สามารถจะดีได้ด้วยความพยายามของตนเอง ก็ใช้คำว่าซินฟูลแมนซินฟูลแมนคนชั่วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะดีได้ด้วยความพยายามของตนเองดูเหมือนว่าทางศาสนาคริสตจะมีทัศนว่ามนุษย์มีบาปมาแต่กำเนิดคือมีออริจินัลสินมีบาปมาแต่กำเนิด น, นั ก, กรากผู้รู้ ศาสนาก็มาช่วยกันตลดเรื่องบาปของมนุษย์เพราะเหตุที่มนุษย์มีบาปมาแต่กําเนิดชั่วมาโดยกําเนิดนี่เป็นแรงเกิดประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองประการที่สองเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก เห็นว่ามนุษย์จะทำกิจต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตนนักเศรษฐกิจมักเห็นแต่ประโยชน์ของตนหรือเห็นแค่ตัวทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองที่เรียกว่า individual interest ผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเอง เป็นการแสดงว่าถ้าไม่ได้รับการขัดเกลาไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพิเศษแล้วมนุษย์จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวแหล่งเกิดที่สามคือมองในแง่ของจีววิทยาว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งสัตว์โลกโดยทั่วไปดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนข้อนี้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ มนุษย์ก็มีสัญชาตญาณเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเห็นแก่ตัวจึงเป็นความโน้มเอียงโดยธรรมชาติของสัตว์โลกทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยคราวนี้มาถึงทศนะที่สองนะครับทศนะที่สองนี่เห็นว่าโดยสัญดานเดิมแล้วมนุษย์เป็นคนดี มีเหตุผลว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นคนดีโดยสันดานมีนับราษทางตะวันตกเชนุสโซซึ่งเป็นคนสําคัญคนหนึ่งที่มีความเหตุเช่นนี้เห็นว่ามนุษย์นี้ดีโดยกําเนิดโดยสันดานมนุษย์เป็นคนดี ที่แวดล้อมทำให้คนเสียไปเพราะฉะนั้นขอให้เรากลับไปหาธรรมชาติแล้วมนุษย์จะดีเองท่านผู้นี้มีความเห็นอย่างนี้กล่าวยืนยันอย่างห น, นักแน่นนับกรับทางตะวันออกเช่นของจือ้อมีความเห็นและยืนยันว่าโดยกาเนิดแล้วมนุษย์เป็นคนดีธรรมชาติของคนเป็นอย่างเดียวกัน แต่นิสัยของคนแตกต่างกันมากในภายหลังเพราะเหตุอื่นนักปราชญอีกท่านหนึ่งคือเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ก็สนับสนุนทัศนะของรุสโซและของของจือท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมากในทฤษฎีวิวัฒนาการหลักสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นทัศนะที่สามเห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์มีศักยภาพหรือความโน้มเอียงที่จะดีและชั่วได้เท่าๆกันเห็นว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีไม่ชั่วแต่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะดีชั่วได้พอๆกัน ทัศนะนีได้ให้เหตุผลหลายอย่างเช่นว่าการศึกษาสมัยใหม่ทางจิตวิทยาและชีววิทยาพูดโดยศาสติตวิทยาว่าแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นนิสัยอะไรเป็นสิ่งที่กระทำโดยนิสัยหรือเป็นแฮปปี้ชวนแอคชัอะไรเป็นแฮปปิ่อะไรเป็นแฮปปี้ชวนแอคชัอะไรเป็นสัญชาตญาณ อินสติ้งติปแอคชั่ยังมีข้อปีกจ้อยอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทีนี้ถ้าถามว่าทั้งสามอย่างนี้ถ้าเผื่อจะพิดจารณาในแง่ของพุทธหรือในแง่ของพุทธศาสนาจะมีทัศนะอย่างไรถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนาจะมีทัศนะอย่างไรถ้าจะให้กายเขียง ในลักษณะของพุทธก็จะใกล้เคียงประเด็นที่สามหรือทัศนะที่สามแต่ไม่เหมือนแชทีเดียวกงไม่เหมือนนั้นไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่ทัศนะที่สามที่บอกว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีไม่ชั่วจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะดีชั่ว เท่าเกันพุทธศาสนาเห็นว่าตามธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งดีและชั่วติดมาแต่ชาติก่อนเพราะว่าพุทธศาสนาอยอมรับเรื่องชาติก่อนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดช่วงที่เวียนว่ายตายเกิดก็ได้สั่งสมทั้งดีทั้งชั่วดีชั่วเหล่านั้น ไม่ได้หายไปยังคงอยู่ในจิตของเขาเขาเกิดมาพร้อมทั้งดีและชั่วอยู่แล้วจะดีมากขึ้นถ้าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการกระตุ้นที่ดีได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดีอาจจะชั่วได้ถ้าได้รับการกระตุ้นที่ชั่วได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว ความวิษยาเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดย่อมจะทำให้ผู้นั้นทำลายคิดทำลายผู้อื่นโดยวิธีการต่างๆหรือสนับสนุนการทำลายล้างดูตัวอย่างสิธิร่วมสำนักของออยิงสัตตะหรือพระองค์โคลิมานนั่นเถิดอันนี้ลองวิเคราะห์ดูดำ ข่าวเรื่องพื้นฐานเรื่องของพระองคุริมันอาจารย์เองก็หูเบาไม่ได้สอบถามอาหิงส ก, กะผู้เป็นสิทธิ์ที่ดีเสียก่อนหลงเชื่อสิทธิ์ชั่วผู้ชอบสอด ส, สียการทำลายสิตของอาจารย์ครั้งนั้นเป็นการทำลายที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำลายอาหิงส ก, กะคนเดียว แต่เป็นการทำลายล้างชีวิตคนผู้บริสุทธิ์อย่างน้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่อิอุส ก, กาเป็นคนโชคดีไม่ใช่เป็นคนร้ายโดยสันดา้ทำความผิดเพราะเชื่ออาจารย์ผู้แม่สุดจริตะ ต, ะตะ่อตดจึงได้รับผลดีในบั้นปลายโดยการโปรดของพระพุทธเจ้าผู้มีพระกุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ันให้ลองลองนึก ด, ดูว่าอายุชะกานั้นเป็นอย่างไรคือว่าชั่วมาแต่กำเนิดหรือว่าเป็นคนดีมาแต่กำเนิดหรือว่าอย่างไรคำพี่ทางศาสนาของเราล่าเรื่องเทวดามาแก้งมนุษย์ผู้มีคุณความดีมากอยู่เสมอ ถ้าจะถอดความเป็นผู้ใหญ่หรือเสียาผู้น้อยในการแกล้งหรือร่วมมือในการกลั่นแกล้งก็น่าจะได้โดยในญาติเป็นเทวปุตตมานในมานห้าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันควรต้องระวังด้วยไม่ควรประมาทอาจารย์เช่นนี้ผู้เคยเป็นศิษย์ควรระลึกถึงด้วยความรู้สึกเช่นไร ขอให้ละคนอลองลึกดูและลองตอบได้ตนเองแต่กว่าจะรู้ตัวก็ได้เสียคนดีคนสามารถไปแล้วอย่างที่จะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำลายคนดีปิดกั้นทางของคนดีนั่นนอกจากจะทำลายคนดีนั่นแล้ว ยังเป็นการทำลายประโยชน์ของมหาชนผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากคนดีคนสามารถนั้นด้วยแต่คนดีจริงและมีความสามารถจริงก็จะมักจะเป็นคนโชคดีเมื่อพลาดจากที่หนึ่งถูกปิดกั้นหนทางจากที่หนึ่งก็มักจะมีที่อื่นรองรับ ส่งเสริมให้รุ่งเรืองซึ่งดีกว่ารุ่งโรดกว่าทางเก่าใช่อีกด้วยเหตุนี้นะครับก็ขอให้คนดีอย่าได้เสียกำลังใจจงตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปด้วยความสามารถที่ตนมีจุขแล้วก็ด้วยการคิดถึงมหาชนให้มหาชนให้คนส่วนใหญ่ เป็นการทำเพื่อตอบแ่นสังคมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำเพื่อเป็นการบูชาธรรมธรรมย่อมจะคุ้มครองรักษาบุคคลผู้นั้นเองทำให้ร่วงพ้นศัตรูผู้คิดร้ายไปได้ดังข้อความในปตะโยธรรมชาติาอเอกนิบาตว <c> ่<บ>า ดูก่อนพยาวานนผู้ใดมีธรสามประการนี้คือความขยันหนึ่งความกล้าหาญหนึ่งปัญญาหนึ่งเหมือนท่านผู้นั้นยอมรวงพลศัตรูเสียได้